สานแเพงสีนสมาธิแล้วก็ปัญญาโกนจริงสีนี่มันสมาธิปัญญาเนี่ยมักแปดก็คือจิตใจนั่นเองเนี่ยรวมลงที่จิตใจแต่เวลาหยาบๆเขาก็บอกว่าสีนั่นคือการงดเว้นทางกายงดเว้นทางวาจาเขาตัดลงแค่กายกับวาจาเขาไม่ถึงใจเจ็วสีห้าก็มี ไม่ฆ่าศาสตร์ไม่ลักทรัพย์ไม่ติดในกามตั้งวาจาก็คือไม่พูดเทศพูดส่อเสียดพูดเทอเจอร์พูดเสียสีถักถางผู้อื่นทางกายก็ไม่ดื่มสุราไม่ติดยาเสพติดก็คือศีลยังยังติดอยู่แค่กายกับวาจาแต่ศีลจริงๆแล้วในการปฏิบัติจริงๆแล้วคือศีลนั้นเข้าถึงใจคือใจของตัวเอง แอบบไปคิดนึกตึกตองคุงแต่งที่จะกระทาผิดศีล5ก็รู้ท้อทันรู้ท้อทันเสียตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คิดที่จะไปกระทาคือแอ บ, บคิดถ้าเราสามารถรู้ท้อทานได้ตั้งแต่ที่คิดจะไปกระทาผิดศีล5าเรารู้ท้อทานลวละเสียโทษมันก็จะไม่เกิดเดี๋ยวก็คิดอีก คิดจะไปทำร้ายเขาคิดจะไปเบียดเบียนเขาคิดจะด่าว่าเขาคิดจะตีสินลินทาว่าร้ายเขาคิดจะเป็นชู้กับสามีภรรยาเขาหรือคิดนอกใจสามีภรรยาเป็นชู้ทางใจต่างๆพอความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นก็รู้เท่าทันความคิดเหล่านี้ก็หายไปใจก็ว่างเปล่าก็เราก็มาเป็นพูดด่าว่าใคร ไม่ไปลงมือกระทํามันก็ไม่ผิดอะไรกฎหมายก็ไม่ผิดทางโลกก็ไม่ผิดแล้วศีลมันจึงเข้าถึงใจถ้ามีศีลเข้าถึงใจแล้วใจมันก็เป็นสมาธิเองท่านว่าถ้ามีศีลก็เป็นสมาธิก็คือพอศีลเข้าถึงใจแล้วเนี่ยพอใจมันดิ้นโลนคิดนึกติดตองปุงแต่งจะไปกระทําผิดศีลรู้เท่าทัน แล้วก็หักห้ามใจเสียมันก็สงบลงใจที่สงบลงมันก็เป็นสมาธิเมื่อใจมาสงบลงเราก็มีปัญญาเห็นว่าพอมาสงบได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปคิดตึกตึกตองปรุงแต่งอยากอยากจะประคธรรมผิดศีลอีกแล้วอยากไปตำหนิติเตียนวิาพากษ์วิจารณ์อิจาริษยานินทาว่าไลคนน้นคนนี้โดยเฉพาะ คุณผู้หญิงเนี่ยซุบซิบซุบซิบซุบซิบเนี่ย เ, เรื่อง เ, อเรื่องนี้นะบางทีเนี่ยเจอกันแล้วก็เป็นประจําแต่พวก ผ, ผู้ชายนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องสุราเรื่องสุราแต่ในเรื่องของศีลข้อสามเนี่ยเรื่องเป็นชูท้ทางใจนี่นี่อันนี้ผิดแทบทุกคนคพียงแต่ว่าใครมีกำลังที่จะหักห้ามใจตัวเองเพียงใด ก็ามีกำลังที่จะหกห้ามใจตัวเองได้มันก็จะไม่ไปพูดหมาหยอกไก่หรือว่าไปแอบกระทำขึ้นมามันอยู่ที่ว่ากำลังของสติกาลังของที่จะจับจังจังใจเราจะไปโทษบอกว่าเมาจะเมาแก็ผิดสีนข้อสข้อห้าไปแล้วเมาเมาแลวก็สีผิดสีนข้อ5้าเพราะผิดสีนข้อห้ามันก็เลยผิดก็ อ, อื่นไปด้วยพูดก็พูดง่าย ดาว่าใครเรสียสีใครก็ทะเลอะใครก็เป็นเรื่องง่ายแล้วก็พอเมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาไม่กินเหล้าก็ปากก็ไปไม่ไม่เมาไม่มึนเมาไม่กินของอื่นเมาไม่ดื่มสุราก็เรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอกินเหล้าเข้าไปแค่นั้นแหละมันไอความเดือดร้อนก็หายไป กลเป็นความไม่เรียบร้อยอย่างนี้ฮะเศีล ส, สมาธิปัญญามก็รวมอยู่ที่ใจหมดถ้ามีศีลระงับยับยั้งตั้งแต่ใจไว้มันก็เป็นสมาธิใจก็สงบเมื่อใจไม่สงบมันมีปัญญาเห็นว่าความสงบใจนี่เป็นสุขอย่างยิ่งพอปล่อยให้มันเตลดไปเรื่อยๆคินหรือติดกองปูงแต่ง กระทำผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็ น, นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจเป็นความทุกข์ใจศีลสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วที่ใจรักษาใจได้ครบหมดเลยได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญามรแปดนั้นที่แปลว่ามรแปดนั้นเป็นข้อข้อข้อแปดข้ อ, ข อ, ขอทีละข้อแต่ความจริงแล้วคือขนาดจิตเดียวพิธีการปฏิบัติได้ถึงขึง้นความดับทุกข์ก็คือขณาดจิตเดียวแต่ละขณะจิตแต่ละขนาดจิดตถรารู้จักยับยัางชั่งใจ ศีลไม่ว่ากี่ข้อรวมลงที่ใจหมดเลยรักษาใจใไวสุดนั่นแหละไม่ล่วงละเมิดสติได้เลยรักษาใจให้ดีวิธีฝึกสมาธิก็คือฝึกสตินะครูบาจารย์หลายท่านเจอหน้าท่านอันารก็บอกว่าสติมีสมาธิมีปัญญามีสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาด ธรรมะ8ปดืสี่พันมัต้องมะการรวมลงที่สติถ้าสติขาดขาดหมดเลยวิธีฝึกก็คือให้มีสติมารู้ในกายในกายในเวทนาในจิตในธรรมสีอย่างเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ตัดว่าผู้ใดก็ตามนี่นะคำแรกเลยมีความหมายนะผู้ใดก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักภทนักบวชหรือเด็กหรือผู้หญิง ใช้คำว่าผู้ใดก็ตามมามีสติรู้สัแต่ว่ารู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจดวันก็จะบระรลุมรรคผล น, นิพพานหากช้าที่สุดไม่เกินเจดปีก็จะบระรลุมรรคผล น, นิพพานโดยแน่แท้นี่เป็นคำตรัสและยืนยันรับรองจษษากตัวเดชปัตตมารตามพุทธเจ้า เมื่อทํามีสติรู้อยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคําว่าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็หมือนถึงว่าท่านฝึกนี่ตั้งเวลาไว้เลยว่าเอาแค่นี้ก่อนไม่ขาดสายตลอดเวลาทําไม่ได้หรอกมีสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเพียนมีสติต่อเนื่องไม่ขาดสายอ่ะ5้านาทีทีเริ่มแต่ห้านาทีต่อไปขยายสิบนาทีสิบห้นาทียี่สินาทีไปเรื่อย หม่เอาแค่5้านาทีก็ละบากแล้ว